บทที่หนึ่งความสมบูรณ์แบบและความรู้สึกผิดก้อนอิกที่ไม่เข้าที่เข้าทางสองก้อน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 เราหนุนบานประตูเก่าๆนั้นให้สูงขึ้นจากพื้นดินด้วยก่อนอิฐเราไม่มีแม้แต่เบาะนอนนั่นก็เป็นของแน่อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นพระป่านี่ท่านเจ้าอาวาสได้บานประตูที่ดีที่สุดเป็นบานประตูเรียบเรียบ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 ไปเข้ ап, าของน้ำหรอกนะความจริงที่แสนหนาวก็ค so ือว่าลมสามารถพัดกรูผ่านเจ้าโรนี่มาถึงตัวอาตมาทำให้อาตมาไม่ค่อยได้หลับได้นอนในช่วงค่ำคืนเหล่านั้นพวกเราเป็นพระจนๆที่ต้องการอาคารที่พักอาศัย แต่ไม่มีกำลังซับ พ, พอที่จะจ้างช่างก่อสร้างได้ค่าวัสดุต่างๆก็แพงเกินพอแล้วอาตมาจึงต้องเรียนรู้ว่าเขาทำงานก่อสร้างกันอย่างไรเตรียมฐานรากอย่างไรตลอดจนถึงการผสมคอนกรตีตการก่ออิฐ ก, การตั้งหลังคางานประปาและทุกๆอย่างก่อนจะบวชอาตมาเคยเป็นนักฟิสิกสทรษศี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 พออาตามากดด้านที่ยกขึ้นนั้นให้ลงมาอิด ก, ก็เริ่มแตกแถวแตกแนวหลังจากที่อาตามาดันมันให้กลับเก้าที่มุมแรกก็เริ่มสูงเกินไปอีกแล้วโยมลองทาดูสิเพราะอาตามาเป็นพระอาตามาจึงมีความอดทน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 ปก่ออิดก็แข็งเกินกว่าที่จะสามารถดึงอิฐออกมาก่อใหม่เสียแล้วอาตมาจึงกราบเรียนท่านเจ้าอาวาสขอทุบ ก, กำแพงเพื่อเริ่มต้นก่ออิฐใหม่อีกครั้งหรือถ้าจะให้ดีก็อยากจะระเบิดมันทิ้งไปเลยอาตมาก่ออิฐไม่ดีและอาตมาก็รู้สึกอับอายท่านเจ้าอาวาสไม่อนุญาตให้หรือกำแพงนี้จะต้องคงอยู่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 ต่อหลายๆแง่มุมของชีวิตเขาบอกอาตมาว่าใช่ผมเห็นอิฐที่วางไม่ดีสองก้อนนั้นแต่ผมก็ได้เห็นด้วยว่ามีอิฐอีก9กอก้ก้อนก่อไว้อย่างสวยงามเป็นประเบียบอาตมาถึงกับอึ้งทีเดียว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 หรือัรรยาของเราด้วยนับเป็นข่าวร้ายสำหรับตนายความผู้เที่ยวชานเรื่องการย่าร้างแต่เป็นข่าวดีสำหรับโยมอาตา ม, มาได้เล่าเรื่องสั้นๆนี้หลายครั้งช่างก่อสร้างคนหนึ่ง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 ที่จะเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตของโยมนะ